สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราจะสรุปบทเรียนจากชีวิตของโซโลมอนต่อเป็นครั้งที่2นะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์นั้นเราก็จะเห็นถึงชีวิตของโซโลมอนที่ได้วางอยู่ต่อนหน้าเราหลังจากที่ โซโลมอนนั้นได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วโซโลมอนก็ใช้สติปัญญา那ในการบริหารประเทศในการสร้างพระวิหารในการสร้างวังของตัวเองและในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งแต่ว่าจุดอ่อนในชีวิตของโซโลมอนก็คือเรื่องของผู้หญิงครับขณะที่ผู้หญิงที่เข้ามาเป็นชายาเป็นมาเหสีต่างๆร่วมพันคนนั้นก็ทําให้ชีวิตของโซโลมอนนั้นได้หันเหจากความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นยอมผ่อนปน ประนีประนอมกับสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวก็คือมาจากบรรดาราชธิดาของฟาโรออมโมนโมอับต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับทำให้ในที่สุดแล้วชรลโมนนั้นก็ได้หันเหจากทางของพระเจ้าไปนั่นคือในที่สุดครึ่งหลังของโชรลโมนนั้นก็จบลงด้วยไม่ดีครับสมัยตอนที่ผมเรียนพระคัมภีใหม่ๆอาจารย์นั้นก็สอนว่ากษัตริย์ ซาอูนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีใจกับพระเจ้าสรุปชีวิตของท่านกษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นกษัตริย์ที่เต็มใจหมายความว่าทั้งหัวใจนั้นได้มอบให้กับพระเจ้าส่วนกษัตริย์โซโลมอนนั้นเป็นกษัตริย์ที่ครึ่งใจครับไม่มีใจเต็มใจและครึ่งใจนั่นคือชีวิตของซาอูลดาวิดและโซโลมอนโซโลมอนนั้นครึ่งใจครึ่งแรกนั้นดีครับแต่ครึ่งหลังไม่ดีพี่น้องครับโซโลมอนนั้นในพระคัมภีร์ระบุว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้าย ของราชอาณาจักรอิสราเอลสวรรคตรโดยโลกชราเมื่อราวผจญชีพได้80พันษาหลังจากโซมอนสวรรคตรนั้นประเทศอิสราเอลนั้นก็แตกคับก็คือแบ่งเป็นทั้งสองฝ่ายก็คือเป็นอิสราเอลฝ่ายเหนือซึ่งประกอบด้วยชน10เผ่าและอิสราเอลฝ่ายใต้ก็ประกอบด้วยชนสองเผ่าอิสราเอลฝ่ายเหนือนั้นเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอล มีเมืองหลวงอยู่ที่สมาเรียมีกษัตริย์เยโรโบอัมส่วนอิสราเอลฝ่ายใต้นั้นมีขนาดเล็กกว่าครับเรียกว่าอาณาจักรยูดามีเมืองหลวงที่เยรูซาเล็มแล้วก็มีลูกชายของชูลมอนนั้นเป็นกษัตรยิย์ชื่อว่าเลหโบอัมมีความสับสนเพราะว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ของฝ่ายเหนือฝ่ายใต้นั้นลงท้ายด้วยโบอัมเหมือนกันครับ ส่วนตัวหน้านั้นก็คือเรโหเรโฮคือฝ่ายใต้แต่เยโรนั้นเป็นฝ่ายเหนือเพราะฉะนั้นเราก็มักจะจำสับสนนะครับเพราะว่าเยโรโบอัมนั้นนะครับมีความเป็นเหนือครับแต่เรโหโบอัมก็มีความเป็นใต้อยู่ในขณะที่เมืองหลวงของใต้นั้นคือเยดูรซาเลมก็คือยอร์เหมือนกันเพราะฉะนั้น เวลาเราจําเราจะต้องจํำสลับกันนะครับว่าเรโหโบอัมนะฮะมันตรงข้ามกับเยรูซาเล็มก็คือเหนือตรงข้ามกับใต้เมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไม่สับสนอีกต่อไปพี่น้องอย่าโปรดอย่าลืมนะครับว่าเยโรโบอัมนั้นเป็นกรรษัตริย์ฝ่ายเหนือมันตรงข้ามกับเยรูซาเล็มนะครับซึ่งเรโหโบอัมเป็นกรรษัตริย์ฝ่ายใต้ครอบครองเยรูซาเล็มอยู่อาณาจักรฝ่ายเหนือเรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลครับอาณาจักรฝ่ายใต้ก็เรียกว่าอาณาจักรยูดาพี่น้องครับ ความร่ำรวยของโซโลมอนการที่โซโลมอนมีความมั่งคัง่งนั่นเป็นเหตุหนึ่งครับ <c oughs> เป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้กษัตริย์โซโลมอนนั้นไว้วางใจในการหาพระราชะทรัพย์มาเป็นของประเทศชาติเป็นส่วนของพระองค์นั่นคืออะไรที่มีอย่างมากจนเกินไปนะครับโดยพอยิ่งเงินทองครับความมั่งคั่งก็ทำให้หันเหเราจากพระเจ้าได้ นั่นคือความมั่งคั่งไม่เหสีครับหรือเมียก็สามารถทําให้กษัตริย์โซโลมอนหันเหจากทางของพระเจ้าได้มาครับก็เหมือนกันครับก็พระชํานาศเกียรติยศศักดิ์ศรีต่างๆก็ทําให้คนเหล่านั้นหลงไปและหันจากทางของพระเจ้าได้นั่นคือจุดอ่อนของกษัตริย์โซโลมอนครับและทําให้ในที่สุดแล้วสัญญาที่พระเจ้า ได้ให้กับโซมอนก็เสื่อมลงและทำให้ชีวิตของเขาไม่ได้กลายเป็นพระพรให้กับชนชาติอิสราเอลต่อไปการที่คนเหล่านั้นมีของอะไรมากจนเกินไปก็ต้องระวังครับเราจะต้องให้ของเหล่านั้นความสามารถเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งสติปัญญาก็ตามนั้นให้พระเจ้าควบคุมดูแลและให้พระเจ้าครอบครองใช้มันให้เกิดประโยชน์กับงานของพระเจ้า และจะต้องไม่หาผลประโยชน์ใส่ตัวเองมากจนเกินไปครับและผลประโยชน์เหล่านั้นเป็นประโยชน์ที่พระเจ้าได้วางไว้เพื่อเป็นการตอบแทนผู้รับใช้ที่สัตว์ซื้อของพระองค์ต่างหากพี่น้องครับชีวิตของชอลมอนก็ทําให้เราเห็นว่าแม้ว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเลิศประเสริฐเพียงใดก็ยังมีศัตรูนั่นหมายความว่าศัตรูนั้นเป็นศัตรูทั้งภายในและเป็นศัตรูทั้งภายนอกศัตรูภายนอกก็คือบรรดาประเทศสลาชต่างๆ ที่พระราชบิดาก็คือดาวิดได้ไปโจมตีและนํามาเป็นเมืองขึ้นศัตรูภายในก็คือคนข้างในกันเองโดยพ้อย่างยิ่งคนที่ไม่พอใจหรือคนที่ไม่ยอมรับความเป็นผู้นําการเจิมที่มาจากพระเจ้าที่มีต่อกษัตริย์โซลมอนในเบื้องตน้สงนสิ่งต่างต่างเหล่านี้แท้จริงแล้วไม่สามารถทําอันตรายโซลโมนได้เลยถ้าพระเจ้ายังอยู่ฝ่ายโซลโมนถ้าพระเจ้ายังสนับสนุนโซลโมอนอยู่ สิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนหยักเจือที่ไม่สามารถสะกิดโซมอนให้ลงจากบันลังหรือทําให้อาณาจักรแตกแยกได้พี่นะครับนั่นคือบทเรียนที่สําคัญก็คือว่าถ้าผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นได้ดําเนินชีวิตถูกต้องในทางของพระเจ้าไม่หันเหไปจากทางของพระเจ้าไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาครอบครองก็จะไม่มีใครทําอันตรายคนของพระเจ้าได้เลยแม้ว่าจะเป็นศัตรู ทั้งภายนอกหรือภายในก็ตามเพราะฉะนั้น ท, ทุกๆท่านนะครับที่เป็นผู้นำข้ารจักรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอยู่ในทางของพระเจ้าและรักษาทางของพระองค์ไว้เพื่อที่จะให้พระเจ้านั้นได้รับเกียรติในชีวิตของเราและจะไม่มีใครที่จะสามารถทําอันตรายเราได้แม้ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นศัตรูทั้งภายนอกและภายในก็ตาม เราจะต้องดูแลชีวิตของเราอย่าให้เรามัวเมาหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นของทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีความมั่งคั่งและจะต้องระวังไม่ให้ชีวิตของเรานั้นแปกเปื้อนไปกับมลทินเรื่องของทางเพศหรือเรื่องของผู้หญิงครับนั่นคือวิถีทางที่พระเจ้าได้ใช้ชีวิตของกษัตรย์โสมอนนั้นเป็นบทเรียนในชีวิตของเรา ในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้มแข็งอดทนต่อศัตรูภายนอกภายในในขณะเดียวกันครับเราจะต้องรักษาทางของเราให้บริสุทธิ์รักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้ารักษาสิ่งต่างที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราและเมื่อถึงเวลางานของพระเจ้าก็จะสําเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจะไม่มีใครที่จะมาทําลายงานของพระเจ้าได้ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายคน รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้าได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศัตรูทั้งภายนอกหรือภายในไม่ว่าเป็นสถานการณ์ต่างๆขอพระเจ้าที่จะนำพาและอวย พ, พรพรผู้รับใช้ของโปรงทุกๆท่านในเช้าวันนี้ด้วยอาเมน